พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่21สอดสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายจะตกกานิบาทตติยะปันนาฏหมวดห้าสบที่สามวักที่หนึ่งชื่อวลาหากวักหรือวลาหกวักว่าด้วยฝนทรงแสดงเรื่องฝนสี่อย่างคือหนึ่งคำรามแต่ไม่ตกได้แก่บุคคลผู้พูดแต่ไม่ทำ 2ตกแต่ไม่คำรามได้แก่บุคคลผู้ทำแต่ไม่พูด3ทั้งไม่คำรามทั้งไม่ตกได้แก่บุคคลผู้ทั้งไม่พูดทั้งไม่ทำา4ทั้งคำรามทั้งตกได้แก่บุคคลผู้ทั้งพูดทั้งทำสรงสแสดงเรื่องฝนในลักษณะเดิมอีกสี่อย่างแต่อธิบายถึงคุณสมบัติของบุคคลต่างออกไป ประเภทที่หนึ่งได้แก่ผู้เรียนรู้ธรรมะซึ่งเป็นธรรมะในศาสนาของพระศาสดามีองค์เก้าแต่ไม่รู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริงประเภทที่สองได้แก่ผู้ไม่เรียนรู้ธรรมะแต่รู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริงประเภทที่สามได้แก่ผู้ทั้งไม่เรียนรู้ธรรมะทั้งไม่รู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริง ประเภทที่สี่ได้แก่ผู้ทั้งเรียนรู้ธรรมะทั้งรู้อริยสัจ ส, สี่ตามเป็นจริงทรงแสดงเรื่องม่อสี่อย่างคือหม่อที่เปล่าแต่ปิดเต็มแต่เปิดเปล่าแต่เปิดเต็มและปิ ด, ปดม่อเปล่าเทียบด้วยไม่รู้อริยสัจ ส, สี่ม่อเต็มเทียบด้วยรู้อริยสัจ ส, สี่ม่อเปิด เทียบด้วยมีกิริยาอาการไม่น่าเลื่อมใสมอปิดเทียบด้วยมีกิริยาอาการน่าเลื่อมใสทรงแสดงเรื่องห้วงน้ำสี่อย่างคือห้วงน้ำที่ตื้นมีเงาลึกที่ลึกมีเงาตื้นที่ตื้นมีเงาตื้นที่ลึกมีเงาลึกลึกตื้นเทียบด้วยไม่รู้หรือรู้อริยสัจ ส, สี่ เงาวตื้นเงาลึกเทียบด้วยมีกิริยาอาการไม่น่าเลื่อมใสหรือน่าเลื่อมใสทรงแสดงมะม่วงสี่อย่างคือดิบข้างในสุก ข, ข้างนอกสุก ข, ข้างในดิบข้างนอกดิบข้างในดิบ ข, ข้างนอกสุกข้างในสุกข้างนอกดิบหรือสุก ข, ข้างในเทียบด้วยไม่รู้หรือรู้อริยสัจสี่ ดิบหรือสุขข้างนอกเทียบด้วยมีกิริยาอาการไม่น่าเลื่อมใสหรือน่าเลื่อมใสทรงแสดงหนูสี่ประเภทคือขุดรูแต่ไม่อยู่อยู่แต่ไม่ขุดรูไม่ขุดรูและไม่อยู่ขุดรูและอยู่ขุดรูหรือไม่ขุดรูเทียบด้วยเรียนหรือไม่เรียนธรรมะอยู่หรือไม่อยู่ เทียบด้วยรู้อริยสัจสี่หรือไม่ทรงแสดงโคถึกคือโคมีกำลังสี่ประเภทคือร้ายต่อโคของตนไม่ร้ายต่อโคของผู้อื่นร้ายต่อโคของผู้อื่นไม่ร้ายต่อโคของตนร้ายต่อโคของตนและร้ายต่อโคของผู้อื่นไม่ร้ายต่อโคของตนและไม่ร้ายต่อโคของผู้อื่น ร้ายเทียบด้วยลุกรานหรือทำให้หวาดกลัวโคของตนและของผู้อื่นเทียบด้วยบริษัทของตนหรือของผู้อื่นสรงแสดงต้นไม้สี่อย่างคือไม้กระพีมีไม้กัะพีเป็นบริวารไม้กัะพีมีไม้แก่นเป็นบริวารไม้แก่นมีไม้กัะพีเป็นบริวารไม้แก่นมีไม้แก่นเป็นบริวาร ไม้กระพีเทียบด้วยบุคคลที่ทุศีลไม้แก่นเทียบด้วยบุคคลผู้มีศีลทรงแสดงงูพิษสี่อย่างคือพิษแล่นแต่ไม่ร้ายพิษร้ายแต่ไม่แล่นพิษทั้งแล่นทั้งร้ายพิษทั้งไม่แล่นไม่ร้ายพิษแล่นหรือไม่แล่นเทียบด้วยขี้โกรธหรือไม่พิษร้ายหรือไม่ร้าย เทียบด้วยมีความโกรธคงอยู่นานหรือไม่วักที่สองชื่อเกษีวักว่าด้วยนายเกษีผู้ฝึกมา้าตรัสถามนายเกษีสารถีฝึกมา้าว่าฝึกอย่างไรบ้างเขาตอบว่าฝึกโดยวิธีหยาบบ้างละเอียดบ้าง ทั้งหยาบทั้งละเอียดบ้างถ้าฝึกไม่ได้ก็ฆ่าซะเพื่อไม่ให้เสียชื่อสกุลอาจารย์เมื่อเขาถามว่าท่งฝึกคนอย่างไรก็ตรัสตอบอย่างที่เขาตอบโดยอธิบายว่าฝึกโดยวิธีหยาบคือชี้ความชั่วและผลของความชั่ววิธีละเอียดคือชี้ความดีและผลของความดีวิธีทั้งหยาบทั้งละเอียด คือชี้ทั้งสองอย่างคาซาคือทั้งตถาคตและเพื่อนพรมจารีไม่ว่ากล่าวสั่งสอนผู้นั้นทรงแสดงม้าอาชาในที่ดีของพระราชาประกอบด้วยองค์สี่คือความซื่อตรงฝีเท้าความอดทนความเสงเ่ียมเปรียบด้วยภิกษุประกอบด้วยคุณธรรมทั้งสี่นี้ ก็เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทรงสแสดงม้าอาชาไหนที่ดีสประเภทคือ1เห็นเงาปะตักก็สํานึกตน2ถูกปะตักแทงถึงขุมขนจึงสํานึกตน 3. ถูกปะตักแทงถึงหนังจึงสํานึกตน 4. ถูกปะตักแทงถึงกระดูกจึงสํานึกตน เทียบด้วยบุรุษอาชาในสี่ประเภทคือหนึ่งเพียงได้ฟังข่าวว่าคนอื่นมีทุกข์หรือตายก็เกิดความสังเวชตั้งความเพียรทําให้แจ้งสัจธรรมอันยิ่งสองต้องเห็นเองจึงเกิดความสังเวชและตั้งความเพียรเป็นต้นสามต้องเป็นญาติสายโลหิตของตนมีทุกข์หรือตายจึงเกิดความสังเวช และตั้งความเพียรเป็นต้นสต้องตัวเองได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บปวดจึงเกิดความสังเวชและตั้งความเพียรเป็นต้นทรงสแสดงช้างของพระราชาประกอบด้วยองค์สี่จึงนับว่าควรแก่พระราชาคือรู้จักฟังรู้จักฆ่ารู้จักอดทนรู้จักไป เปรียบด้วยภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่เช่นเดียวกันชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกรู้จักฟังคือฟังธรรมะรู้จักฆ่าคือฆ่าความคิดที่ชั่วรู้จักอดทนคืออดทนหนาวร้อนสัมผัสเหลือกยุงเป็นต้นรู้จักไปคือไปในทิศที่ไม่เคยไปคือไปพระนิพพาน ทรงแสดงฐานะสี่คือหนึ่งฐานะที่ไม่น่าพอใจทำเข้าก็เป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์สองฐานะที่ไม่น่าพอใจแต่ทำเข้าเป็นไปเพื่อประโยชน์สามฐานะที่น่าพอใจแต่ทำเข้าเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์สีฐานะที่น่าพอใจทั้งทำเข้าก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ ทรงแสดงว่าควรทำความไม่ประมาทในฐานะสี่คือในการละทุจริตสามและมิจฉาทิฏฐิในการเจริญสุจริตสามและสัมมาทิฏฐิเมื่อทำเช่นนั้นได้ย่อมไม่กลัวความตายในอนาคตและควรทำความไม่ประมาทในฐานะสี่คือไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ไม่คิดประทุษร้ายในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความคิดประทุษร้ายไม่หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไม่มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเมื่อทำเช่นนั้นได้ก็จะไม่สะดุ้งหวาดกลัวไม่ต้องไปตามถ้อยคำของสมณะคือไม่ถูกจูงใจไปตามชอบใจ ทรงแสดงเรื่องสถานที่ควรสังเวชแต่ก็ควรดูของกุลระบุตผู้มีศรัทธาสถานที่ควรสังเวชสีแห่งคือที่ซึ่งพระตถาคตประสูตรตรัสรู้แสดงธรรมจักคือแสดงธรรมะรังแรกและสถานที่บรินิพานทรงแสดงเรื่องภัยหรือสิ่งที่น่ากลัวสี่อย่างคือความเกิดความแก่ความเจ็บไข้ และความตายและส่งแสดงภัยอีกสี่อย่างคือภัยอันเกิดจากไฟน้ำพระราชาโจรวร์คที่สาชื่อพยาวั์ว่าด้วยภยัยส่งแสดงเรื่องภัยสี่อย่าง คือภัยอันเกิดจากการติตัวเองได้ภัยอันเกิดจากผู้อื่นติได้ภัยอันเกิดจากการลงโทษภัยอันเกิดจากทุกขติหรือคติที่ชั่วภัยสี่อย่างสำหรับผู้ลงน้ำคือภัยอันเกิดจากคลื่นจระเข้วังวนลาร้ายคลื่นเปรียบด้วยความโกรธ จระเข้เปรียบด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องวังวนเปรียบด้วยกามาคุณหคือรูปเสียงเป็นต้นที่น่าปรารถนารักใคร่ชอบใจปลาร้ายเปรียบด้วยมาตุกามหรือหญิงข้อเปรียบเทียบเหล่านี้สำหรับภิกษุทรงแสดงบุคคลสี่ประเภทคือผู้ได้ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ ลราติดใจในฌานทั้งสี่นั้นเมื่อสิ้นชีวิตก็ไปเกิดเป็นพรหมมีอายุหนึ่งกับเกิดเป็นอภัสระพรหมมีอายุสองกับเกิดเป็นสุภกินนะหพรหมมีอายุสี่กับเกิดเป็นเวหภะพละพรหมมีอายุห้าร้อยกับทั้งหมดตามลำดับฌานที่หนึ่งถึงสี่หมดอายุแล้วก็อาจไปสู่นรกกําเนิดเดรัจฉานและภูมิแห่งเปรตได้อีก ส่วนอริยสาวกไปเกิดในที่นั้นแล้วพอหมดอายุแล้วก็ปริสนิพานในภพนั้นนี้เป็นความต่างกันระหว่างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับกับอริยสาวกผู้ได้สดับทรงแสดงบุคคลสี่ประเภทคือผู้ได้ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สและพิจารณาขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ จนถึงไม่ใช่ตัวตนเมื่อสิ้นชีวิตย่อมเกิดในเทพชั้นสุทธาวาสอันไม่ทั่วไปแก่ปุทุชนทรงสแสดงบุคคลสี่ประเภทผู้เจริญพรหมวิหารสี่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกตามลำดับชั้นเหมือนฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่เมื่อหมดอายุแล้วอาจไปสู่นรกกำเนิดเดรัชฉานและภูมิแห่งเปรตได้อีก ส่วนอริยสาวกเมื่อหมดอายุแล้วก็นิพพานในภพนั้นทรงสแสดงบุคคลสี่ประเภทผู้เจริญพรหมวิหารสี่และพิจารณาขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อสิ้นชีวิตย่อมเกิดในเทพชั้นสุดทาวาสอันไม่ทั่วไปแก่ปบบุถุชนทรงสแสดงว่าความอัศจรรย์สี่อย่าง ย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหนึ่งเมื่อก้าวลงสู่พระคันภอเมื่อประสูตร 3. เมื่อตรัสรู้ 4. เมื่อทรงสแสดงธรรมจักรเหตุการณ์ทั้งสี่นี้เมื่อปรากฏจะมีแสงสว่างอันโอฬารปรากฏขึ้นก้าวลวงเทวานุภาพส่งไปในที่แสงพระจันทร์พระอาทิตย์ ส่องไปไม่ถึงทำให้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดในที่นั้นๆจำกันและกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นว่าแม้ผู้อื่นก็มีมาเกิดในที่นี้ทรงแสดงความอัศจรรย์สี่ประการที่ปรากฏเพราะเหตุเช่นเดียวกันอีกคือสัตว์ที่มีความยินดีในอาลัยคือกามคุณห้ามีความยินดีในมานะความถือตัว มีความยินดีในความไม่สงบระงับมีความยินดีในอวิชชาคือความไม่รู้เมื่อฟังธรรมที่พระตถาคตแสดงอันเป็นเครื่องนำออกซึ่งสิ่งเหล่านั้นยอมตั้งจิตเพื่อรู้ทั่วถึงธรรมเหล่านั้นทรงแสดงความอัศจรรย์สี่อย่างในพระอานนท์คือบริษัทที่เป็นภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกาเข้าไปหาก็ชื่นใจด้วยการดูชื่นใจด้วยการกล่าวธรรมะยังไม่ทันอิ่มพระอานน์ก็นิ่งเสีก่อนทรงแสดงความอัศจรรย์สี่อย่างในพระเจ้าจากกักรพรรดิเช่นเดียวกับพระอานน์เป็นแต่เปลี่ยนบริษัทเป็นกษัตริย์พรามเข้ารือหาพดีสมณนะเปลี่ยนจากกล่าวธรรมะ เป็นมีพระดำรัสแล้วตรัสเปรียบพระอานอนท์ว่าเป็นเช่นนั้นวักที่สี่ชื่อปุขละวักว่าด้วยบุคคลทรงแสดงบุคคลสี่ประเภทตามคุณธรรมคือพระสกะทธาคามี พระอนาคามีประเภทมีกระแสในเบื้องบนเข้าถึงอากาศนิถภพและพระอนาคามีประเภทปรินิพานในระหว่างและพระอรหันต์กหนดคุณธรรมของท่านเหล่านี้ด้วยการละสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่ผูกสัตว์ไว้ในภพบุคคลสี่ประเภทอีกอย่างหนึ่งคือผู้มีปฏิพานสมควรแต่ไม่เปลืองปราดผู้มีปฏิพานเปลืองปราด แต่ไม่สมควรผู้มีปฏิพานสมควรด้วยเปลืองปราดด้วยผู้ไม่มีปฏิพานทั้งไม่สมควรทั้งไม่เปลืองปรปาดคําว่าปฏิพานที่ลงท้ายด้วยนอหนูและปฏิพานที่ลงท้ายด้วยนเนนมีความหมายต่างกันปฏิพานที่ลงท้ายด้วยนหนูหมายถึงเช่าปัญญาส่วนปฏิพานที่ลงท้ายด้วยนอเนนหมายถึงการโต้ตอบ คำบาลีในพระไตรปิฎกยังไม่ยุตินักเพราะผู้ควบคุมการพิมพ์อาจแก้ตัวอักษรเป็นปฏิพานแบบเดียวกันหมดอัตถกถาแก้ว่ายุตตปฏิพานที่ลงท้ายด้วยนอนเนนคือถามปัญหาที่ควรมุตตปฏิพานคือถามไวสำหรับคำว่ายุตตปฏิพานในพระสูตรนี้ในที่นี้ ผู้เขียนแปลว่าปฏิพานอันสมควรมุตตปฏิพานแปลว่าปฏิพานเปลืองปราดสำหรับบุคคลสี่ประเภทที่กล่าวมาแล้วในเรื่องการมีปฏิพานแต่ไม่เปลืองปราดหรือเปลืองปราดหรือทั้งหมดบุคคลสี่ประเภทนี้อธิบายไว้ว่าประเภทที่หนึ่งคือรู้ได้ไวที่สองคือต้องอธิบายจึงรู้ได ประเภทที่สคือพอแนะนำได้ส่วนประเภทที่สี่คือผู้มีปฏิพานทั้งไม่สมควรทั้งไม่เปลืองปรลาดคือพวกไม่มีทางจะรู้ได้บุคคลสประเภทคือที่เป็นอยู่ด้วยอาศัยผลของความหมันไม่ใช่อาศัยผลของกรรมอาศัยผลของกรรมไม่อาศัยผลของความหมันอาศัยทั้งสองอย่างและสุดท้าย ไม่อาศัยทั้งสองอย่างอาศัยผลของความมันคือผู้ทาเอาในชาตินี้ไม่อาศัยผลบุญเก่าอาศัยผลของกรรมคืออาศัยผลของบุญและบาปเก่าบุคคลสี่ประเภทคือที่มีโทษมีโทษมากมีโทษน้อยไม่มีโทษบุคคลสี่ประเภทนี้ คือผู้ไม่ทำให้บริบูรณ์ในศีลสมาธิและปัญญาทำให้บริบูรณ์ในศีลแต่ไม่ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิและปัญญาทำให้บริบูรณ์ในศีลสมาธิแต่ไม่ทำให้บริบูรณ์ในปัญญาและสุดท้ายผู้ไม่มีโทษคือทำให้บริบูรณ์ทั้งในศีลสมาธิและปัญญาบุคคลสี่ประเภท คือหนึ o, ่งผู you, <us> <an> ้ไม่หนักในศีลสมาธิปัญญา 2. ผู้หนักในศีลไม่หนักในสมาธิปัญญามีศีลเป็นใหญ่ไม่มีสมาธิปัญญาเป็นใหญ่ 3. ผู้หนักในศีลสมาธิไม่หนักในปัญญามีศีลสมาธิเป็นใหญ่ไม่มีปัญญาเป็นใหญ่ 4. ผู้หนักในศีลสมาธิปัญญา มีทั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นใหญ่บุคคลสี่ประเภทคือผู้มีกายหลีกออกแต่มีจิตไม่หลีกออกสองผู้มีกายไม่หลีกออกแต่มีจิตหลีกออกสามผู้มีกายและจิตไม่หลีกออกสีผู้มีกายและจิตหลีกออก บุคคลสี่ประเภทนี้คือผู้แส ด, แดงธรรมพูดน้อยพูดไม่มีประโยชน์บริษัทก็ไม่ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ 2. ผู้แส ด, แดงธรรมพูดน้อยแต่พูดมีประโยชน์บริษัทก็ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่รประโยชน์ 3. ผู้แสดงธรรมพูดมากพูดไม่มีประโยชน์บริษัทก็ไม่ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์สี่ ผู้แสดงธรรมพูดมากพูดมีประโยชน์บริษัทก็ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ผู้แสดงธรรมแต่ละประเภทย่อมนับได้ว่าเป็นผู้แสดงธรรมของบริษัทชนิดนั้นๆผู้พูดสี่ประเภทคือผู้พูดที่ถือเอาเนื้อความได้แต่ถือเอาพยัญชนะไม่ได้2 ผู้พูดที่ถือเอาพยัญชนะได้แต่ถือเอาเนื้อความไม่ได้ 3. ผู้พูดที่ถือเอาไม่ได้ทั้งสองอย่างหลักข้อสุดท้ายผู้พูดที่ถือเอาได้ทั้งสองอย่างวรรคที่หชื่ออาภาวรคว่าด้วยแสงสว่าง ทรงแสดงแสงสว่างสี่อย่างคือแสงจันทร์แสงอาทิตย์แสงไฟและแสงปัญญาในแสงทั้งสี่นี้แสดงปัญญาเป็นเลิศสำหรับในที่นี้ทรงใช้คำเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างที่มีความหมายถึงแสงสว่างทั้งสิ้นคืออาภาปภาอาโลกะโอภาสะปัจโชตะ ทรงแสดงการสี่คือการฟังตามการการสนทนา ร, รมตามการการสงบระงับหรือการทำสมถะตามการการเห็นแจ้งหรือวิปัสนาตามการแล้วทรงแสดงว่าเมื่ออบรมสี่อย่างนี้ให้ดีแล้วก็จะทำให้อสุวะสิ้นไปได้โดยลำดับทรงแสดงว่าจีทุจริตสี่คือพูดปด พูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อกับวจีสุจริตสี่คือพูดจริงพูดไม่สอเสียดพูดละเอียดอ่อนพูดมีคติทรงแสดงสาระสี่คือสาระอันได้แก่ศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติหรือความหลุดพ้น